พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่14โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าไม่เดือดเขาไม่ร้อนเหล่าเอามีอะไรฝังลูกหลานอยู่ในความสงบอย่าให้มีเสียงทีไหนะ ถ้ามันมีเสียงยังไม่จบเอาไว้ก่อนหลวงพ่อพูดจบแล้วยังคอยทำต่อเมื่อวานวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนตอนเย็นประมาณสักห้าหกกำลังพบค้ำพ่อเพลลูกหลานมาจากนาครพนมนักเรียนรถบัสสองคันมาเคลื่อนไปกราบพระพระภูกอนแล้วก็ลงมามาถึง บ้านนาคำน้อยที่ทางโค้งหักศอกนะรถมาจากต่างถิ่นนะรนักเรียนพอมาระมาตะแคงนะมามันเล่นลแต่เพราะนั้นอำเภอนายุงน้ำาสมลูกหลานทุกคนตนะ้ให้ใส่ใจเวลาฝนตกใหม่ชอบศพ อ, อุบัติเหตุบ่อยครั้งมากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ทั้ง หมดรถอะไรทั้งหมดนะวิ่งในถนนทำไม่เพราะว่าอำเภอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะ่ย เ, เมื่อสามสี่ห้าหกปีให้หลังมาเนี่ยอำเภอนายูน้ำโสมเนี่ยเขาขายยางพาราใช่าสายใหญ่ขายยางพาราแต่รถบางคันเขาก็รอบครอบเขาเอาผ้ายางปูซะก่อนยังค่อยขนยางขึ้นแต่บางคนก็นถึงจะเป็น ผ้ายางก็เถอะมันแตกมันรั่วเนะีมันก็ไหลลงอาบถนนไปเรื่อยๆน้ำยางพาลาน้ำยางไอ้ที่มันน้ำกรดนะ่ยที่น้ำอยู่ในยางพาลานะ่ยมันไปอาบในถนนพออาบในถนนหลายครั้งต่อหลายโหนเนี่ยมันก็เป็นเมือกเลยเ่ภาษาบ้านเราก็เป็นเมือกคล้ายๆว่ามันเป็นที่จะคร้มันลื่นๆนะ่ะเหมือนเมือกปลาปลาช่อนปลาดุกปลาไหลลักษณะอย่างนั้นนะ่ยมันอยู่ในถนน ผลที่สุดพวกเราลถมาแต่ก่อนมันเคยเบรคมันเคยอยู่ใช่ไหมเบรคปุ๊บมันก็อยู่เลยติดถนนเก่อถนนแต่ข่าวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะถนนอำเภอน้ำโสมนายวงเนี่ยพอเบรคมันไม่อยู่แต่มันเลื่นถลายไปเลยอะทําไมมันถนนจึงเลื่อนะเหมือนกับใส่น้ํามันเครื่องมันไม่ใช่แหละเหมือนกับอาบเจลเบีใส่น้ํามันเครื่องอย่างนั้นไม่ใช่นะยางพาราเพราะนั้นลูกหลานเวลาฝนตก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพูดงย่างนั้นพูดอย่างงั้นได้ค่อยๆไปค่อยๆมาค่อยๆขับนะเพราะมันฝนตกมันถนนมันเรื่นมันเื่นเพราะอะไรนะแต่กระลุงพ่อได้บอกให้ให้ฟังแหละในรถบัสมาวันก่อนเขาอยู่ต่างถิ่นนะพอฝนตกใหม่ๆเลยเมื่อวานฝนตกตอนเย็นเขาก็ลงมาจากภูกร์แตนะ่พอมาถึงหน้ากลาง บ้านนาคำน้อยเนะก็ทางโคง้งมันเบรกไม่อยู่อย่างที่ว่าน ะ, ะมันทะไหลลงไปเ่ยอย่างดีมันไปตกคลองก่อนอก็เลยตะแคงนักเรียนตั้งห้าหกเจ็ดสิบคนรวมกันแล้วเก้าสบห้าคนมาทั้งครูด้วยนะหลวงพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นอพอเสร็จแล้วเ็าก็ชาวบ้านก็ช่วยๆกันเขาก็มาหา หลวงพ่ออยู่พอดีพอดีอยู่ที่ศาลาใกล้ค่า เ, เขาก็ถามเขามาเมีอะไรก็บอกว่าเด็กรถบัสพลิกตะแคงแต่ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากแต่เด็กนักเรียนกับครูประมาณห้าหกคนส่งโรงพยาบาลนายูงแล้วแต่นอกนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วจะมาขอที่พักศาลาหลังนี้แหลนะหลวงพ่อก็ขอเออพักได้พักได้ไดลูกหลานวะลําเลียงมาเลยมาพักเลย มาพักทีศสลาหลังนี้แล้วก่อนในห้องน้ำของท่าเปิดให้เลยนะเปิดไฟแล้วก็ครูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูนะพวกผ้าหม่มพวกหมอนพวกผ้าหม่มพวกมุ้งขอบเตรียมเตรียมให้นักนักเรียนครูนอะแล้วก็อาหารอาหารให้พวกเราเอาออกมาสั่งมาจากร้านอาหารที่ไหนมันมีที่เขาทำอาหารกอมาเลี้ยงเด็กลูกหลาน ส่วนค่าใช้จ่ายอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋หลวงพ่อจะเป็นผู้รับเองกันแล้วกันนะฮถ้าค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่ลูกหลานเลี้ยงดูกันนอะไปไปช่วยจัดการนะนะทางไหนทางพระทางชาวบ้านก็คงจะมาจัดการมั้าที่นี่แหลนะทราบข่าวว่าประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากว่ามั้งรถบัสมาจากอุดอรก็เลยมารับเขากลับไปเนี่ยไปถึงบ้านเขาก็ประมาณสัก ถึงนครพนมก็สี่ห้าโมงเช้า ฟ, ฟ, ฟังฟังพูดนะได้ติดตามดูอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือเนี่ยนะวัดวาศาสน า, าถ้าจะว่าไปแล้ว้ามีเวลาคับขันเวลาความจำเป็นมันก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยกันวัดวาศาสน า, า, าพี่น้องประชาช น, นวัดของเราเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งศ า, าลาหลังนี้ก็ห้องน้ำห้องถ่าก็พร้อมแค่ศ า, าลาหลังนี้ก็มีที่พักค่ะ ล้วรลอบขอบชิดอีกต่างหากปลอดภยัยพูดง่ายๆสาราวัดมีความจำเป็นมาบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อช่วยเหลือกันแล้วก็มาวานหลวงพ่อออกจากวัดประมาณทักตีห้าออกจากวัดไปอุดรไปโรงเรียนหมากแข่งโรงเรียนบ้านหมักแข่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดร เขาในมวลหลวงพ่อให้เป็นประธานหาทุนเพื่อทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาของเด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงม .6 นะเป็นนรงเรียนประจำอุรานเป็นโรงเรียนโอ้เนื้อที่กว้างไปเมื่อวานไปเห็นกันโอ้คณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานมากแล้วกับผู้ใหญ่ท่านผู้การทหารมทบ24ท่านอำนวย แล้วก็ท่านอารองผู้ว่าท่านสุชัยแล้วก็ท่านนายกวิเียษเขาคําแล้วก็ท่านผู้ว่าอดีตผู้วาราชการจังหวัดท่านอำนาจประกาศให้มีหลายคนเมื่อวานเนี่ยคือลุงพ่อลงไปเห็นลุงพ่อไม่สามารถที่จะรู้จักทุกคนแต่สรุปแล้วก็คือหัวหน้าส่วนราชการล้วนแล้วแต่เด็กสมัยนั้นก็ โรงเรียนหมักแข่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุดรลูกหลานผู้มีอันจะกินเขาก็ส่งเขาไปเรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนหมักแข่งเนี่ยนะบ้านหมักแข่งนะจากนั้นไปเรียนต่อโรงเรียนอื่นจนถึงราชินูท็จราชินูเช่นเขารับตั้งแต่มอป .6 มั้งมมอ .3 ม .1 งพ่อก็จำไม่ได้นะ รายชีนูทิดอุดรพิพทยานุกูลพิชัยลักษ์สามโรงเรียนใหญ่แล้ใเกิดทีหลังแต่อุดรโรงเรียนบ้านหมักแข่งเนี่ยตั้งแต่พญาประจักษ์ศิลปาคมมาสร้างเมืองอุดรมาสร้างที่บ้านหมักแข่งเนี่ยะย้ายมาจากย้ายทหารมาจากจังหวัดน้องคาย มาปักหลักอยู่ที่อุดรนบ้านหมักแข่งเนี่ยเพราะนั้นเขาจึงเอาเอ ก, ก, กละครโรงเรียนบ้านหมักแข่งเมื่อวานาหลวลงพ่อไปเห็นเออมีพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมากจากนั้นก็ได้ออวิธีทำพิธีกรรมบินทบาตคนเจ็บบาทก็มากจากนั้นคือขึ้นมาฉลากรสวดพระพุทธมนตร์ันบินบาท จากเกษตสวดพุทธมนต์แต่ก็ทอดผ้าป่าสา ม, มัคคีได้เงินทั้งหมดตึ่งล้านสองแสนกว่าบาทมัเอาละเศรษฐกิจอย่างนี้ได้ขนาดนี้ก็นับวันดีแล้วล่ละแต่หลวงพ่อก็เอาจะตุปัจจัยของวัดของเรานะศรัทธา ญ, ญาติโยมไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหรอกเป็นใจเป็นปัจจัยคณะสงฆ์เป็นปัจจัยของคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่ถวายหลวงพ่อ ถึงหลวงพ่อบูรณะวัดบูรณะวัดแล้วก็ส่วยชงเคราะห์โรงเรียนโรงพยาบาลวัดที่ตรงไหนที่เป็นจมีความจำเป็นเมื่อวานก็หลวงพ่ออะไเอาปัจจัยนันปัจจัยคณะสงฆ์ปัจจัยคณะศาสนาญาติโยมร่วมสมทบกออไปให้กับโรงเรียน1 0 0 0 0แสนบาทเมื่อวานเนียอันนี้ก็เป็นปัจจัยของพวกเราทุกคนพระเนรลูกหลานพี่น้องประชาชน หลวงพ่อคิดว่าเกิดประโยชน์แล้วก็พร้อมกันออกจากโรงเรียนบ้านมาแข้งไปโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลไปเห็นไปดูเขาขัดพื้นอันนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะได้พื้นหินขัดถ้าปูนซีเมนธรรมดาก็เด็กนักเรียนจะมานั่งมาทานอาหารมาอ่านหนังสือ รักษาความสะอาดก็ยากอยากจะได้หินขัดหลวงพ่อก็ถามดูเท่าไหร่หินขัดท้งชั้นน่ทงชั้นล่างเนประมาณสามสามแสนสี่หมื่นหลวงพ่อก็เลยตกลงเออเอาเอาเลยได้เอาเงินวัดของเราเหมือนกันนะสถาญาติโยวมลูกหลานนะช่วยโรงเรียนอุดอรพิทยานุ ก, กูลนี่หลวงพ่อก็จ่ายไปแล้วสองแสนยังเหลืออยู่แสนสี่ นี่แหละปจะตุปัจจัยยังเป็นหนี้อีกยังมีนะลูกหลานนะเป็นหนี้ก็คือเนี่ยหลวงพ่อสั่งเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเครื่องทำตาเดี๋ยวในทางอีสานของเราน่ตาพวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยมากตี่ภพเป็นเบาหวานบาหวานขึ้นตานเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเที่จะ ทำกับตาที่เป็นเบาหวานนะพราะเครื่องมือเขาใช้มาเป็นสิปีแนละ้วเครื่องเก่ารุ่นเก่าแล้วอยากจะได้เครื่องใหมนะ่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอเออรับไว้พิจารณาจนะ่ <c oughs> จถ้าหลวงพ่อก็มาถึงวัดเ อ, อเป็นไปได้หรือเปล่านอนะ้ อ, อแล้วก็คำกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าหาาน้ากระเป๋าหลังก็เป็นไปได้ราคาก็สองล้านหแต่และเขาเรียกสมล้านนะแล้วต่อรองเขาได้สองล้านหกนะ่ะ ลงพ่อก็เอาสั่งได้เลยเนี่ยกำลังสั่งอยู่อีกไม่กี่วันก็คงจะมาถึงละก็คงจะมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนี่แหละจะตุกปัจจัยของวัดเราแนละลูกหลานที่ได้มาก็จะเดือเผือแผ่ไปที่มันมีแต่ไม่ให้ใครเดือดร้อนแต่วัดในวัดของเราลงพ่อสร้างไหมยอดวัดสาขาเขาให้โรงเรียนบั้งช้าลาบั้งแต่ลงพ่อได้ปัจจัยมาจากไหน จักได้มาจากเนี่ยพี่น้องประชาชนมาเกี่ยวข้องกับมาหยอดตู้ถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อรับมาแล้วนะหลวงพ่อกับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเฉลือเพื่อแผ่ให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาธนาต่อพี่น้องประชาชนนะนี่แหละแต่วัดของหลวงพ่อเกิดเอาเอนะีกนั้นลูกหลานน ะ, ะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ชัดเจน เมื่อซ่อมอาคารเมื่อซ่อมโงเมื่อซ่อมถนนซ่อมสะพานซ่อมกําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านหน่อยขึ้นมาซ่อมกุฏิของพระของโยมที่โลงครัวทำบันไดหลวงพ่อก็เลยไปดูเห็นโอ้หลังคากระเบื้องของเราเนี่ยทั้งโลงครัวเก่าแล้วก็กุฏิต่างๆ เราตั้งแต่เราทำมาพวกลิงกระแทกบางต้นไม้หล่นลงบ้างสีมันก็แตกต่างกันแล้วก็พร้อมการกหลังคาลุโหลมแตกก็มีพอลิงลิงแล้วก็กิ่งไม้ลผ ล, ลไม้ถ้าเป็นไปได้น่าจะลือ้อลื้อให้เป็นสังกะสีอะไรเม็ดชิตสังกะสีรุ่นใหม่พอเราทำเนี่ยาลาหลังนี้เนะี่ย มันอยู่ได้ดีมันยาวอีกต่างหากแก้ปัญหาจบไปเลยแต่เราก็ต้องลงทุนหน่อยหนึ่งลงทุนบ้างฮะตรงพ่อเอ้ดูสิหน่อยกุฎิปีสามศูน่ะอ่ากี่แผ่นกุฎิปีสามกุฎิปีสองเก้ากุฎปีสามเจ็ดกุิปีสามหโรงครัวชาลาประชาคมชาลาหอสันเกา่าถ้าเป็นจะเปลี่ยนกับ เรียกบริษัทมาเลยเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันนะแต่ดูราคาจะก่อนเนอะถ้าราคาไม่หนักหนาเราดูกระเป๋าของเราก็พอเป็นไปได้แล้วก็ก็น่าจะเปลี่ยนให้มันจบจบไปอแล้วเราจะประกาศอีกอเราจะประกาศหาผู้มีศรัทธาอีกเหมือนกันนะพอสร้างขึ้นมาเราไม่ใช่กุฏิหลวงพ่อนะ พวกไปรักษาศีลไปนอนอยู่นั่นท่ะถ้าหลังคาล่วจะไปบวนให้หลวงพอ่อทีเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องช่วยกันใช่ไหมละ่ะไม่ใช่สาาลาหลวงพอนะ่อเป็นสล า, าของพวกเราทุกคนใครไปตั้งภาวนา ล, ลังคามันล่วงก็ต้องอเราไม่ได้ช่วยหลังคาไว้ไว้ก็ต้องคิดอย่างงั้นบ้างเพราะนั้นต้องช่วยกันใครจะเอากี่หลังกุญละหลังละหลังก็ได้กงจะไม่กี่เงินพอวานนะ่ะ อันนี้ยังไม่ชัดเจนกําลังวัดอยู่วัดออกไปแล้วล่ะเขากําลังไปคิดราคาไม่กี่วันกขาคงจะได้ราคามาได้ล่ะแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้จะทําทั้งหมดมันทันทำขนาดไหนได้ขนาดไหนทําขนาดนั้นถ้ามันแพงเราก็ทำสองสามหลังก่อนฟังแต่ละกุฏิแต่ละหลังศาลาหัว หอว่ันเก่านะตั้งแต่ปี26ฟังดูสิ26 27นะตั้งแต่ปี26นะท่านนิ้พลกับท่านสดเป็นคนทรราคานับรุ่นิกีปีปี26นะจากนั้นก็ลงครัวเก่าลงพ่อมาอยู่กับประมาณปี29นะนะจากนั้นก็เนี่ยปี30ปี30กับท่าน ผู้วาสายสิบ์กับคุณนายวาดนาเป็นคนสร้างให้กุฎิปีสามศูนย์อย่างนั้นกับปีสองเก้าอย่างนั้นกับปีสามหกปีสามเจ็ดเราจะไม่เคยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเลย<ม>บางทีกระเบื้องก็ล่อนสีมันล่อนหมดแล้วยังเหลือแต่ใยสังเคราะห์นะนี่แหละอันนี้ก็เราคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ซะปรับปรุงให้มันดีขึ้นมัน แต่จะอยู่ได้นานไหมถ้าเอาไว้ก็คงอยู่ได้นานอยู่นะแต่ก็อยู่แบบตุบัตตุเปตุรักตุเล น, น่ะเหมือนกับเชือกกางเกงมันขาดปะนั้นชุนนี่ไปเรื่อยนะอละักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าว่าเราเปลี่ยนใหม่ซะมันก็ดีเราพอมีที่จะเปลี่ยนได้อยู่อันนี้กันบอกให้ครูบาทั้งหลายศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายผูกเกี่ยวข้องรับทราบเนินๆเอาไว้ะแต่เผื่อผู้ที่จะช่วยกัน จะได้คำกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอย่างที่ว่า น, นั่นแหละพอทาขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อวะหลวงพ่อกุติหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้มันรั่วแล้วละวะแต่กูตีหลังอื่นกันแนะ้วให้ช่วยกันดูแลและก็วันนี้เป็นวันที่สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบะวันนี้นะเป็นวันเสราร์พวกเราคณะสัายาติโยม ก็ได้มาทำบุญตักบาทตามปกติแล้วต่อไปนี้พวกเราที่จะมาวัดของหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะมาเช้าขึ้นตามเวลาตะก่อนเมื่อหน้าหนาวนะเมื่อเดือนมเมื่อเดือนพฤจิการทันวาหลวงพ่อบินทบาทเจ0โมงครึ่งนะลูกลานนะแต่เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาหละประมาณเจ็ดโมงส้าต่อไปน่คงจะขยับมาเจ0โมงนะ วนนั้อย่าแปลกใจอย่าไปตั้งนาฬิกามาอย่างเก่าไม่ได้นะใครนะแปลว่าเถีนตรงผู้ใดตั้งนาฬิกาเคยมาอย่างเก่ามาอย่างนั้นไม่ได้ตกพ่อเนี่ยดูพระอาทิตย์นะไปบินธบนัติแลก็มองพระอาทิตย์เออสูงขนาดนี้เวลาเท่าไหร่หลวงพ่อก็จะต้องดูลดเวลาลงมาเรื่อยๆพุ่นหน้าหนาวพระอาทิตย์ขึ้นช้าหน้าร้อนพระอาทิตย์ขึ้นเร็วนมันต้องไปตามพระอาทิตย์นะเพราะนั้นให้ พวกเราให้ดูดสังเกตรพระเนก็เหมือนกันนี่ให้พูดทางนี้ท้งนั้นให้ครูบาทั้งหลายให้ได้สังเกตทำไมหลวงพ่อมาช้านักเวลาเร็วนักหลวงพ่อดูนาดูดูพาทิตย์น่ไม่ใช่ดูนาฬิกานะ <S <S นี่ละวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งหลวงพ่อเองแต่ละวันก็ให้แนวความคิดสำหรับพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท ของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรู้มาอย่างเดียวอย่างไม่พอนะต้องคู่กับคุณธรรมด้วยคุณธรรมคืออะไรคือศีลธรรมจริยธรรมที่ดีการอยู่ด้วยกันมีแต่ใช้ความรู้อย่างเดียวบางทีความรู้นั้นถ้ามันเกิดประโยชน์มันก็ดีถ้ามันเกิดโทษมันก็มีนะ เกิดโทษมาเกิดยังไงครับหลวงพ่อเน่ะความรู้ที่เกิดโทษคนนั้นนะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นตัวเองฉลาดสามารถที่จะคดโกงคนอื่นได้สามารถที่จะต้มตุนหลอกลวงคนอื่นได้อันนั้นแปลว่าคนที่มีความรู้นะถ้าคนโง่โงมันทํำไมได้หรอกคนที่ฉลาดนเอจึงจะเอาเปรียบคนอื่นได้การเอาเปรียบคนอื่นน่นตัวเองก็รู้แก่ใจเอรู้แก่ใจว่าตัวเองเอาเปรียบคนอื่นเขา แปลว่าใจของตัวเองขาดคุณธรรมล่ะขาดจริยธรรมที่ดีล่ะไม่มีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจล่ะมีแต่กิเลสนะอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้ในหลั ก, ลกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงจะตัวเองจะมีความรู้เฉลียวฉลาดก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ชุมชนสังคมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสติด้วยสติปัญญาของตนเองอันนั้นละเลิศประเสริฐนะ แต่ว่าตัวเองมีปัญญาแล้วมีแต่กัดก่อนกินประเทศชาติบ้านเมืองเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนผู้อยู่ใกล้จนอยู่ด้วยไม่ได้พอเห็นหน้าไอ้นี้ขึ้นมาโอ้โหตายมันจะมาไม้ไหนไอ้หวาดพะว้ากันไปหมดอันนั้นแปลว่าใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนนะถึตบต่อไปตนเองจะเดือดร้อนเล เพออาราะอะเพราะตัวเองทำไม่ดีอผล้นิสูตรเขาก็เอาไอ้ น, นี้มันเอาเปรียบหมูเนะี่ยเขาก็เอากฎหมายเข้ามาจับเลยนะพอจับเข้ามาแล้วก็จับเข้าคุก อ, อย่างน้อยก็นั่นแหล ะ, อะเอาเครื่องกฎหมายมืดเข้ามาจัดการก็มีอจากนั้นกันเนี่ยเอากฎหมายทางบ้านเมืองเข้ามาจัดการก็มีสรุปแล้วก็คือความชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่าทำซะเลย ด, ดีกว่านะ เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลวงพ่อพูดเกือบทุกวันอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราอยู่ด้วยกันถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไปที่ไหนมองดูจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรจะได้รับความสรุป ส, สงบพร่อมเย็นเป็นสุขแต่ตนเองก็ไม่ให้เดือดร้อนนะพร้อมกัน พร้อมกันตนเองก็ไม่ให้เดือดร้อนไม่ใช่ไปตนเองหมดกำลังอยู่แล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับเราไข้าหายมาจากเจ็บไข้ในป่วยใหม่เห็นเขากดเห็นคนตกน้ำตัวเองที่กำลังก็ไม่มีกระโดดลงไปช่วยเขานะที่ว่าคิดว่าจะช่วยเขาที่ไหนได้ก็เลยไปกอดกันตายอยู่ในน้ำนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ เราที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาเราต้องดูกําลังของเราก่อนกํเราล้วกลังเราเพียงพอไหมที่จะพยุงเขาที่จะช่วยเหลือเขาได้นี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราจะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ชุมชนสังคมช่วยวัดวาศาสนาไม่ใช่ว่าตัวเองจนอยู่แล้วปิดบัญชีจุดท้ายก็ให้มอบให้แก่สาธารณาหมดทาไมว่าโง่หรือไปว่ า, ไ ม, วาไม่รู้จะว่าอย่างไงอีกเหมือนกัน แต่ไม่มีใครที่จะพูดจุดนั้นหรอกเอแต่ว่าท่าได้ยินให้ฟังอถ้าไปไปพูดให้ใครฟังนะถึงเขาจบเขาพูดแต่เออดีเสียสละเลยเขาก็พูดอย่างนั้นได้แต่ในใจของเขาเขาคิดว่าทำไมโง่นักว่าขนาดตัวเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดทําไมจึงไปหาช่วยสังคมตัวไปตัวเองจะเดือดร้อนนะ่ะไม่ใช่ตัวเองจะเดือดร้อนอย่างเดียวนะครอบครัวจะเดือดร้อนนะ พ่อแม่ลูกหลานที่อยู่ด้วยจะเดือดร้อนไปด้วยนะถ้าทำลักษณะอย่างนี้นี่นะเขาจงต้องคิดในใจของเขาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยก่อนที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครเราต้องดูกำลังของเราซะก่อนนี่แหละการพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าสอนให้มีศรัทธาอย่างเดียวนะความรอบคอบต้องมีพร้อม พระองคขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดก็จะไปเชื่อหลวงพ่อทีเดียวแหลวงพ่อเป็นแนวความคิดเห็นแต่หลวงพ่อก็อ้างองิงหลักพระธรรมคำําสอนของพุทธะนะมาอ้างองิงแต่พวกเรากนทดลองดูสิปฏิบัติดูสิจริงไหมในเมื่อจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพลอยไรเพราะมันเป็นความจริงหลักเหตุผลเป็นอย่างนั้นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สอบวกสองเป็นสี่นี่แหละคือหลักเหตุผลไม่ผิดเพี้ยนนะบวกไปเท่าไหร่ก็ถูกไปเท่านั้นอันนี้คือหลักเหตุและหลักผลถ้าทําไม่ถูกแปลว่าผิดหลักเหตุผลแล้วไม่ได้อันนั้นแปลว่าเดินผิดที่ผิดทางอยู่รนชทานที่ใดเรือดร้อนไปทั้งหมดเบียดเบียนตนและผู้อื่นนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพ ร, น, รนาฏดีน้